เรื่องที่22วิทยาลัยนอกธำเนียบท่านคงจะนึกแปลกใจหากข้าพเจ้าจะบอกว่าวิทยาลัยที่สร้างสมรรถภาพในการบรรยายทําให้แก่ข้าพเจ้ามีใช่ที่ไหนอื่นคือวัดเกาะคือวัดสัมพันธวงศ์พระนครนี่เองข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหากข้าพเจ้าบาังเอิญไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมวิชาวาทศิลป์จากสานักแห่งนี้ คงไม่มีวันที่ข้าพเจ้าจะได้พบความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรมะดังที่ได้ปรากฏอยู่บ้างในทุกวันนี้จริงอยู่วิชาการประพันธ์ขีดเขียนข้าพเจ้าฝึกฝนจากแหล่งอื่นแต่วิชาการพูดปากเปล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายธรรมะได้มาจากวัดเกาะ น, นี้ทั้งสิน้นและบางท่านอาจจะแปลกใจยิ่งขึ้น อาข้าพเจ้าจะเรียนให้ทราบว่าสำนักวัดสำพันธวงศ์ได้มีกิจกรรมก้าวหน้าในรูปวิทยาลัยการศาสนามานานแล้วก่อนข้าพเจ้ามาอยู่ที่วัดนี้และทำกันอย่างจริงจังในสมัยที่ข้าพเจ้าอยู่นั่นคือระหว่างพศส4 7 8ถึงพศส4 8 7มีการตั้งสำนักกรรมฐาน ซึ่งสมัยนี้ชอบเรียกกันว่าสำนักวิปัสนามีการฝึกวิชาผู้นำทางศาสนาและมีการฝึกวิชานักเผยแพร่ศา ส, สนาข้าพเจ้าขอโทษที่กล่าวว่าก่อนที่ใครๆจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ตามความนึกคิดของข้าพเจ้าหากแต่เป็นกระบวนการที่มุ่งทางปฏิบัติแทนการโฆษณางานที่ข้าพเจ้าสนใจมากคือการฝึกวัฏศิน หรือการอธิบายธรรมะปากเปล่าที่เรียกกันในวงการพระเจ้าพระสงฆ์ว่าเทศปฏิพานวัดเกาะมีกิจกรรมที่ทำให้สิท์นำไปกล่าวขวัญถึงด้วยความภาคภูมิใจยอยู่อย่างหนึ่งคือระบบการฝึกเทศนาที่เรียกว่าเทศในโบสถ์ตามระเบียบนั้นทางวัดบังคับให้พระภิกษุสมณีผลัดกันเทศปากเปล่าหลังจากทาวัดสวดมนต์ตอนเย็นแล้วทุกวัน เว้นแต่วันพระโดยเรียงตามลำดับอาวุโสตั้งแต่ท่านเจ้าวาดเรื่อยลงไปถึงสมณีน้อยไม่มียกเว้นเลยไม่ว่าในกรณีใดๆเมื่อถึงเวนของตนผู้นั้นจะต้องขึ้นเทศตามหัวข้อที่เลือกไปเองหากมีความจำเป็นที่จะลงเทศไม่ได้ก็ต้องวานผู้อื่นแทนคืนปล่อยว่างไว้ก็จะโดนปรับให้เทศสองวันซ้อน หรือปรับหนึ่งเท่าตัวของวันที่ละเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขยาบกันมากในขณะเดียวกันนั้นก็มีระบบการวิจาร์ด้วยคือท่านเจ้าว่าจะสั่งให้พระภิกษุหรือสัมมเนรรูปหนึ่งเป็นผู้วิจาร์หลังจากผู้นั้นเทศจบแล้วผู้วิจาร์ก็จะวิจาร์ทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ผู้เทศนั่งคุกเข่าขึ้นกราบขออนุญาตพระเถ ร, ระขึ้นแสดงธรรม จนกระทั่งท่าขึ้นธรรมาการนั่งการพนมมือการไอการกรมจนกระทั่งการบรรยายความการให้ข้อเปรียบเทียบและการลงธรรมะเป็นที่สุดระบบการฝึกเทศนี้เป็นเรื่องแปลกสนุกตื่นเต้นน่ากลัวและขบขันเป็นการฝึกที่ได้ผลทุกแงม่มุม ไม่ใช่แต่ผู้จะไปเป็นนักเทศเท่านั้นแม้แต่พระใหม่ก็ได้ผลในทางซักซ้อมความเข้าใจในหลักธรรมข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นมีระบบการอันทันสมัยและได้ผลครบทุกประตูอย่างนี้ในที่อื่นมาก่อนทุกวันนี้ยิ่งเห็นผลมากขึ้นเพราะการจรโลงศาสนาในสมัยนี้จะเป็นต้องใช้นักเผยแผ่มากขึ้นและเฉพาะอย่างยิ่ง นักเผยแผ่ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วอย่างโชคชนข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าระบบการฝึกได้สนใจกับปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างไรบ้างวันหนึ่งท่านสัมเณรนักเทศรูปหนึ่งเข้าเวีนเทศท่านได้ปัญยายโทษของการโกหกอย่างละเอียดละออและให้เหตุผลตามแบบฉบับที่เราได้รับการฝึกคือให้เหตุผลที่ง่ายๆและชัดเจน คันนักเทศได้ยกตัวอย่างโทษของการโกหกมาประกอบคำบรรยายว่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งแก่มีนิสัยชอบโกหกบางทีอยู่ดีๆก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปบอกชาวบ้านว่ามีหมาป่าออกมากินแกะชาวบ้านก็เฮลโลกันออกไปช่วยแต่ครั้นไปแล้วปรากฏว่าไม่มีหมาป่าสักตัวและรู้ว่าเด็กโกหกครั้นอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่เด็กคนนั้นเลี้ยงแกะอยู่ชายป่าเกิดมีหมาป่าตัวหนึ่งออกมาจริงๆเด็กจึงวิ่งไปบอกชาวบ้านทีนี้พวกชาวบ้านเขาไม่เชื่อเพราะเคยโดนโกหกมาแล้วไม่มีใครมาช่วยสักคนผลที่สุดหมาป่าตัวนั้นเลยกินแกะของเด็กหมดทั้งฝูงจบแล้วสา ม, มเณรนักเทศก็ลงจากธารรมะหมาป่าตัวโตสักเท่าไหร่ ท่านผู้วิจารณ์เริ่มวิจารณ์ในฐานะที่ท่านเป็นพระผู้เท่าซึ่งแสดงความรับขอบเท่ากับหมาป่าบ้านตัวโตโตสมณีตอบถึงมันจะตัวโตเท่าไหร่หมาตัวเดียวจะกินแก่หมดทั้งฝูงไม่ได้ว่าแล้วก็เสนอแนะว่าเรื่องอย่างนี้ต้องระวังไม่สมเหตุสมผลถ้าจะให้หมาออกมาตัวเดียวก็ให้มันกัดแกะตายก็พอแล้ว หมาตัวเดียวกัดแกะให้ตายทั้งฝูงก็ได้แต่ถ้าจะให้หมากินแกะก็ให้มันมาหลายๆตัวสมเณรยอมจำนนและจำไว้เป็นบทเรียนต่อมาไม่กี่วันถึงเวรท่านผู้วิจารณ์ขึ้นเทศบางและก็โดยบังเอิญสมณเณรรูปนั้นถูกชี้ตัวให้เป็นผู้วิจารณ์ท่านผู้เทศพยายามวาดโครงและสัมผัสแบบมือชั้นครูในเรื่องโทษของการทำทุจริต ให้ข้อเปรียบเทียบอย่างง่ายๆตามแบบฉบับของวิทยาลัยของเราท่านเน้นลงไปในตอนจะจบว่าอันบุคคลผู้ทำการทุจริตย่อมมีจิตหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาอุปมาเหมือนกาสัหลังหวาพอเห็นวัวบินมาก็หวาดแล้วก็ลงจากธรรมะวัวบินได้หรือครับสามเณรเริ่มการวิจารณ์ หลังจากที่ท่านผู้แสดงลงมานั่งเรียบร้อยแล้ววัวอะไรของเนนบินได้ท่านผู้เทศไม่ทราบครับเห็นท่านเทศว่าเห็นวัวบินมาก็หวาดผู้วิจารณ์งั้นเหรอฉันเผลอไปถนัดผู้เทศการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้มักจะมีอยู่เสมอโดยที่ผู้เทศไม่ทันรู้ตัวที่จริงก็ไม่ถึงกับเสียหายใหญ่โต แต่ทำให้รถของวาท้าหย่อนไปมีอีกเรื่องหนึ่งที่นักเทศวัดเกาะมักจะเจอและทุกครั้งที่สร้างความขบขันแก่ที่ประชุมอย่างที่ใครๆช่วยไม่ได้คือการวางโครงเรื่องขังตัวเองและติดจังงังอยู่บนธรรมะเช่นอย่างคราวหนึ่งท่านผู้เทศจะอธิบายเรื่องกิเลสแต่ได้เอาโครงเรื่องตะจับปรจกกรรมฐานมาใช้ คือในเรื่องตจั j a ปัญจกกรรมฐานนั้นเวลาอธิบายจะต้องชี้ลงไปว่าอย่างไหนมีสันฐานมีกลิ่นเป็นอย่างไรท่านผู้เทศก็เริ่มด้วยการหยิบกิเลสโลภะโทสะโมหะขึ้นมาอธิบายทีละข้อท่านอธิบายว่าโลภะว่าโดยสันฐานโตแล้วอ ธ, ธิบายตอบไปว่าคือตาโตอยากได้ของของคนอื่น ว่าโดยสีเงียบไปนานแล้วก็ได้เขียวเขียวแดงๆฝ่ายผู้ฟังเริ่มหนักใจแทนเพราะรู้กันแล้วว่าลงได้วางโครงเรื่องแบบนี้จะต้องนิมนต์ลงจากธรรมะมทุกทีว่าโดยเสียงเงียบท่านพยายามจะแหวกวงล้อมของท่านเองคือค่อยๆ ย, ย่องกลัวเจ้าของเขาจะตื่น เรื่องโลภะผ่านพ้นไปโทสะว่าโดยสันฐานกลมเสียงเงียบหายไปนานทีเดียวจนกระทั่งสมาชิกชักอึดอัดท่านผู้เป็นประธานเลยถามขึ้นไปว่าโทสะทำไมสันฐานกลมละ่ะกำปั้นยังไงครับว่าพลางชูกำปั้นให้ดูด้วยคนมันโกรธแล้วต้องกำหมัดอธิบายหน้าตาเฉยแล้วก็อธิบายต่อไปว่า ว่าโดยสีโทรสะมีสีแดงคือหน้ามันแดงไปได้เหมือนกันพวกเราค่อยโล่งใจแต่แล้วท่านพุทศยังอุตส่าห์อธิบายต่อไปอีกว่าอันโทรสะนั้นว่าโดยเสียงอุ๊บเว้นระยะทิ้งให้ผู้ฟังมุ่นวายกันพักหนึ่งแล้วก็ตอบไปว่าโดนเตะดังอุบเพราะบรรดาโทรสะไม่มีใครกลั้นหัวเราะได้ ท่านยังอุตสาห์อธิบายต่อไปว่าว่าโดยกลิ่นโทสะมีกลิ่นเงียบพวกเราพากันคอยฟังกลิ่นโทสะมันจะเป็นยังไงเงียบถ้ามันอธิบายไม่ออกจริงๆก่อนนี้มลลงได้ท่านผู้เป็นหัวหน้าว่าแล้วท่านลักเทตก็ลงจากธรรมะหน้าตาเฉยไม่ได้เอวังเสียด้วยเป็นบทเรียนที่สิทธวัดเกาะ จำไว้อย่างไม่มีวันลืมว่าการอธิบายธรรมนั้นต้องระวังการวางโครงเรื่องให้ดีไม่เช่นนั้นจะลงสนามไม่ได้นี่คือบางส่วนแห่งกิจกรรมของวัดเกาะวิทยาลัยนอกธรรมเนียบ11มิถุนายน2504